มีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้วเรดั ะ, ะนั้นเราจรึงจําเป็นต้องฝึกสมาธิที่นี้เพื่อตัดข้อข้องบนในการที่ตัดความยุ่งยากในการที่ท่านจะบําเพ็ญสมาธิเอากันอย่างนี้ดีกว่าบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้ามีธุระกิจมากไม่ค่อยมีเวลาจะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงๆ หรือไม่มีเวลาจะไปเข้าห้องกรรมฐานอย่างท่านทั้งหลายถ้าใจเกิดอุปสรรคอย่างนี้ขึ้นมาให้พยายามทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของตัวเองพวบลมหายใจง่ายหรือเปล่าการทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิด ของตัวเองในเมื่อฟังดูเผินเผลอแล้วรู้สึกว่ามันง่ายแต่ความจริงเมื่อทําลงไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายนั่งหลักตาภาวนาพุโิโธพุิ์โทยังง่ายกว่าเอาใครไม่เชื่อก็ลองทําดูสิยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนรับทานเดิมทำพูด้เทรู้ทุกอิริยาบถ โคกลมหายใจใครทำได้บ้างถ้าว่าใครสามารถที่จะทำได้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิหลับตาก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะอะไรเพราะการทำสติกําหนดตามรูการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำโทษคิดเป็นการเอาใจใส่ตัวเองเป็นการพิจารณาตัวเอง ในเมื่อเรามีสติกำหนดตามโลกของของเราอยู่สศกทุกข์เกิดที่กายเรารู้เพราะกายเป็นผู้เดินเดินเมื่อยเรารู้เพราะกายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อยนั่งเมื่อยเรารู้เพราะกายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อยโศกทุกข์อันใดมันเกิดขึ้นมันเกิดที่กายถ้าไม่มีกายโุกทุกข์ไม่เกิด บางครั้งบางท่านภาวนาแล้วจิตหนีจากร่างกายไปอยู่มันตัวเดียวมีแต่จิตตัวเดียวล้วนๆความรู้สึกว่ามีตัวมีตนก็ไม่มีเจตวิญญาณนี่เมื่อมันออกจากร่างไปแล้วมันไม่มีกายไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะฉะนั้นในปัญหาเรื่องมหาสติปัฏฐานสุดสี่เนี่ย ท่านจึงให้พิจารณาตายให้เห็นสัตว่าแตกว่าตายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาเวทนาเจตธรรมให้เห็นสัตว่าจิตและธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจจตก็ไม่ใช่ตัวตนตายก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตน ถ้ารู้ว่าเวทนาเป็นเวทนากายก็เป็นแต่กายจิตเป็นแต่จิตธรรมเป็นแต่ธรรมเราก็ได้ความรู้ได้ความรู้อะไรรู้สักแต่ว่ามันก็ไปตรงตามที่กิเลสที่พระโสดาบันทิละได้ถ้ารู้ว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรม มันก็ไปได้ในหลักสักกายทิฏฐิขัสดาบันละสักกายทิฏฐิละความเห็นว่าตนว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเมื่อผู้พิจารณากายสมหาสติปัญสีแตกลงไปแล้วความโูภความเข้าใจไมก่ก็ตายไม่ใเจตน์ตนไม่ใช่กายตายไม่มีในตนตนไม่มีในกาย มันก็เห็นสักแต่ว่าเป็นกายเท่านั้นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเป็นกายแล้วความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่มีเรียกว่าเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าให้ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเพื่อตัดปัญหาในข้อข้องใจที่ว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิ เอาบางท่านฟังไปแล้วอาจจะมีความสงสัยอยู่ว่าเพียงแต่ทำสติตามโรการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดโอกาสที่จิตจะสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิโลธรรมเห็นธรรมจะเป็นไปได้ไหมขอยืนยันว่าเป็นไปได้ถ้าท่านทำจริงบางท่านอาจจะนึกถามว่ามันเป็นไปได้ในตอนไหนที่แน่ๆที่สุดก็คือว่าเวลานอน เมื่อนอนลงไปท่านก็กําหนดทำสติรู้ว่านอนนอนลงไปแล้วมีหรือพลอเองหัวลงไปทับหมอนแล้วนอนหลับปุ๊ยทันทีมีไหมเข้าใจว่าไม่มีแน่ในเมื่อนอนลงไปแล้วจิตมันจะต้องคิดต้อนคิดนี่คิดต้อนคิดนี่อยู่ตลอดเวลาโค้ชพาวนามาทําสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่นอนตามไปจนกระทั่งจิตมันหยุดคิดเมื่อเจ็บหยุดคิดแล้วเจ็บมันก็นอนหลับ อาการนอนหลับมันก็เกิดขึ้นทั้งทางกายแต่ทางจิตในเมื่อหลับสนิทแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นจิตสว่างโปร่งขึ้นมามันสามารถที่จะดำเนินไปสู่อัปปนาสมาธิหรือได้ฌานในขั้นในเวลาที่นอนก็ได้อันนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจรารดาดูแล้วลองปฏิบัติตามดูอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติซึ่งเราจําเป็นจะต้องยึดว่าเป็นจุดยืนของการปฏิบัติ ถ้าท่านลำพังแต่เพียงแค่วันนั่งสมาธิสามสี่ชั่วโมงแล้วออกมาด้วปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอใจไม่มีการทำสติกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านประสบอยู่มันก็ไม่คุ้มค่าจะไปสำรวมจิตเฉพาะในขณะนั่งหลับตาเนี่ยไม่คมุ้มเพราะแรงสัดดันที่จะทำจิตของเราให้ตกไปอยู่ใ น, ในอานาจฝ่ายต่เนี่ยมันมีมากเหลือเกิน เราปล่อยจิตให้เป็นไปตามอำเภอใจเป็นไปตามอำนาจแห่งความใกล้หรือความอยากมาเป็นเวลานา น, านปีแล้วแต่วันหนึ่งๆเราอาจจะนั่งสมาธิอย่างดีไม่เกินสีชั่วโมงเมื่อเป็นฉชนนั้นเมื่อเราจากนั่งสมาธิแล้วเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำเภอใจไปตามอารมณ์โดยไม่มีการสำรวมหรือไม่ทำสติเข้าใจว่ามันจะไม่ขมขา เพราะฉะนั้นเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ควรจะได้ทําสติตามรูปการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเอากันอย่างนี้อันนี้เร้ ว, ว่าการปฏิบัติสมาธิได้ทุกลมหายใจและอีกประการที่สองการภาวนานี่อย่ามุ่งแต่ที่จะทําให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือสมถะเพียงอย่างเดียว เมื่อไม่นานมานี้มีนักปฏิบัติทางกรุงเทพไปถามปัญหาถามว่าทำไมการภาวนาในตอนแรกนี่รู้สึกว่าจิตสงบสว่างมีปีติมีความสุขอย่างเหลือล้นแต่มาเดี๋ยวนี้พอกำหนดจิตลงไปพอรู้สึกว่ามีอาการสงบเท่านั้นมีแต่ความคิดเกิดขึ้นไม่หยุดสักทีนี่มีผู้สงสัยและมีผู้ไปถามอย่างนี้ เขาบอกว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราพยายามที่จะห้ามและจะดึงมาไว้กับพุทโทมันยิ่งฟุ้งใหญ่กลายเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตมันเสื่อมหรือว่ามันก้าวหน้าในขา้ถามอย่างนี้อันนี้ขอแก้ว่าโดยธรรมชาติของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้ผ่านสมาธิ ตั้งแต่ขั้นขณะสมาธิอุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธิแต่ละครั้งหรือภาวนาแต่ละครั้งแม้จิตยังไม่สงบก็เป็นการสร้างพลังทางสติถ้าหากว่าิจสงบลงไปบ้างพลังของสติก็ยิ่งดีขึ้นถ้าหากสงบถึงขั้นสมถะบ่อยๆพลังทางสติก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติมาฝึกขัดอบรมสร้างพลังทางสติทางสมาธิสมบูรณ์แล้วเป็นจิตที่สมบูรณ์ด้วยพลังงานในเมื่อจิตของเรามีความสมบูรณ์ด้วยพลังงานแล้วเขาก็ต้องการอยากจะทำงานดังนั้นเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตสกบเชือเกเย็นสบายดี แต่มาภายหลังนี่มาภาวนาแล้วจิตสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดเกิดขึ้นเมื่อไปห้ามจิตก็ยิ่งปุ้งก่านความจริงเมื่อจิตมีพลังงานแล้วเขาต้องการจะทำงานกํโหลดจิตลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่าสงบความคิดมันเกิดขึ้นนั่นปัญญากำลังจะเกิดวิปัสสนากำลังจะเดิน เจตของท่านกําลังจะเข้าขึ้นสู่ภูมิิปัตสดาถ้าใครภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้ปล่อยให้จิตเป็นคิดไปเถิดแต่ว่าต้องทําสติกําหนดตามรู้ไปในขั้นต้นๆ น, นี้เราอาจจะควบคุมทําสติกําหนดตามรู้ในเมื่อเกิดไปจนคล่องตัวแล้วสติเขาจะทําหน้าที่ตามรู้การคิดไปเอง ในเมื่อสติตามรู้ความคิดไปเองจิตมีสิ่งรู้คือความคิดสติมีสิ่งละลึกคือจ้องอยู่กับความคิดในที่สุดจิตจะรู้ความจริงของสภาวะธรรมเรื่งรู้ว่าเรามีความคิดและความคิดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงกับคําว่ามีเกิดมีดับอยู่ภายในจิต ข้อมีสติสัมปชัญญะจ้องดูความเกิดดับของอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงให้เรารู้เห็นอยู่นั่นคือความคิดนั่นเองไม่ใช่อื่นเมื่อสภาวะธรรมมานี้ปรากฏขึ้นคือความคิดปรากฏขึ้นในขณะที่สติของเราไม่มีพลังงานคิดขึ้นมาแล้วมันยุ่ง ยงแล้วกลายเป็นจิตฟงสั่นแต่ถ้าจิตมีสติสัมปชัญญะดีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วสติู้ทันมันจะเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหนึ่งเป็นฐานที่สร้างของสติให้มีพลังงานเรียกว่ามหาสติประการที่สองทำให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของพระไตรลกักษณ์นิจังทุกขังอนัตตากหนดหมายเอาความเกิดดับภายในจิตเท่านั้น เราโล้าใจรักจบหลักสุดประการที่สามเราจะรู้ในขณะที่ความคิดของเราเกิดขึ้นถ้าาว่าความคิดเกิดขึ้นจิตของเราดำรงอยู่ในความเป็นกลางไม่มีความหวั่นไหวกับความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปเพราะพลังของสติมีประสิทธิภาพพอที่จะทาจิตให้ดำรงอยู่ในสภา พ, พปกติได้แต่ถ้าสเตออน อวิชาความรู้ไม่จริงเข้ามาครอบงำยึดสิ่งที่คิดขึ้นมารับเกิดความยินดีเกิดความยิน้ายความยินดีและความยินร้นี่เรียกว่าอะไรกิจถารมความยินดีเรียกกิจถารมความยิน้ายเรียกอนิสถารมความยินดีเป็นตามัตตัญหาความยิน้ายเป็นวิภวะัญหายึดในความยินดีและความยินไายเป็นภวะัญหา ในเมื่อจิตของเรามีการปัจันหาภวะปัจนหาวิภาวะปัจนหาตัวสักรานจิตมันต่งขึ้นมาว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าปรุงขึ้นมาว่าสิ่งใดไม่ดีเกิด ค, ความไม่พอใจเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเราเกิดรู้สึกทุกข์ใจร้อนใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ตัวพวกอริยสัจมันโผล่ขึ้นมาแล้วโต่ขึ้นมาให้เราเห็นในจิตของเราอย่างชัดเจน แต่ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะคอยเข้าดูดูอยู่ที่จิตพอเจ้าทุกข์ไม่โตขึ้นมาพักเขาจะจับทุกข์แล้วก็ดูตัวทุกข์นี้เขาจะไม่ขับไล่ทุกข์เพราเขาซึ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้เท่านั้นเมื่อทุกขปรากฏขึ้นทำสติกําหนดรู้ทุกข์เฉยอยู่เพียงเ จ, จิตกาหนดดูทุกข์เฉยอยู่เท่านั้น นี่คือทุกแล้วก็ยอมรักกบสภาพความเป็นจริงเห็นด้วยกับความรู้นั้นในเมื่อเห็นด้วยกับความรู้นั้นจิตยอมรักกบสภาพความเป็นจริงเมื่อจิตรู้จริงแล้วมันก็เกิดความปล่อยวางทุกมันก็ค่อยหายไปชั่วขณะหนึ่งหรือหายไปเลยอันนี้คือการดูกิเลสในอารมณ์ภายในจิตของตัวเองดังนั้นการภาวนาเนี่ อย่ามุ่งแต่จะให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ฌานสมาบัติจางนั้นอย่างนี้ได้ยงได้ยานอะไรต่างๆเอากันที่ตรงที่ว่าเราสามารถสร้างประสิทธิธภาพทางจิตให้มีความมั่นคงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีโลเท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าจิตจะไม่สงบไม่ได้ยานไม่ได้ฌานก็ช่างขอให้มีสติรู้ทนแล้วมีปัญญาแก้ไขปัญหาในจิตใจใจของเราได้ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคอยจ้องดูจิตแต่อารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จิตมันจะได้วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัะคาตาสงบจนกระทั่งถึงได้ฌานมันจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้นักปฏิบัติเราส่วนมากเป็นนักปฏิบัติชนิดแบบที่เรียกว่าชิงสุขก่อนหาถหากใครยุ่งใจมากนักเอาแต่เพียงแค่นี้ อย่างสมมติว่าท่านภาวนาพธโิโตก็ดีสัมมาอะ拉ังกวดียกหนองปองนอ้องก็ดีให้ตั้งใจแน่วแน่ลงไปว่าฉันจะภาวนาคําบริกรรมภาวนาของฉันเพียงคําเดียวเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นใครภาวนาพโพธิโธก็เนิพ์คโพธิโตโพธิโธโพธโทพธโตมันทุกลมหายใจเดินเดิน น, นั่งนอนกินเดิมทำเนิกมันอยู่อย่างนั้นเอาพโพธิโตเป็นที่อยู่ของจิตเอาจิตไว้กับพโพธิโธ โดยตั้งใจแนวแน่ว่าจะลงนรกก็จะลงกับพคตโธจะขึ้นสวรรค์ก็จะขึ้นกับพุตโธจะไปนิพพานก็จะไปกับพคตโธ่จะเอาพคตโธเป็นเพื่อนตายแล้วเนิร์คโคตโธอยู่ทุกลมหายใจโดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเนิร์คจะกระทั่งเจตมันคล่องตัวกลายเป็นว่าภายหลังมาเจตมันนึกพคโโธเองเอาเพียงแค่ว่าเจตมันนึกพคโโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจเลย ก็เป็นฉายาเป็นเงาพอที่จะยึดเอาความดียึดที่พึ่งไว้ภายในจิตใจได้กับมัง้งทีนี้ถ้าหากว่าเราภาวนาพุโทโธพุทโธถ้าจิตมันนึกถึงพุโทโธเองแล้วก็ท่องอยู่ที่พุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจผู้ภาวนาเนี่ซตึงรู้เถิดว่าเราได้องค์ฌานที่หนึ่งที่สองไว้เป็นทุนแล้วถ้าจิตนึกถึงเองภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ย ใจวิตกกับวิจารณเป็นพุนเอาไว้ก่อนในมาเจตมาอยู่กับพโพธิโตพธโตตลอดการมันก็โอกาสที่มันจะไปยุ่งกับเรื่องอื่นมันก็น้อยลงเราก็ได้ความสบายบ้างทีนี้หนั ก, นกเข้าท่องไปท่องมาประเดี๋ย ว, วาใจมันสงบสว่างโล่งขึ้นมาประเดี๋ยวก็จะตกใจว่าทําไมหนอใจคนเรามันลุกเป็นไฟได้อย่างบางทีมีคนแก่ตามบ้านนอกที่แกไม่รู้อินูอิ น, อนามาขอภาวนาเออ จะภาวนาพุทโธคำเดียวลงนโลกก็ลงกับพุทโธขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นกับพุทโธแกก็ท่องของแกอยู่นั้น่ะท่องอย่างโลกแก้วโลกขนทองลองผลสุดท้ายท่องไปท่องมาทําไมใจคนมันลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ในอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติตามธรรมะแบบไหนอย่างไรก็ตามแบบยกหนอก็ยึดให้มันมั่นสัมมา阿拉หังก็ยึดให้มันมั่น พศพอก็ยึดให้มันมัน่นใจเจริญอนาปานุสติก็ให้มัน่นคงอยา่าไปจับโน่นวางนี่จับโน่นวางนี่อยู่นใจความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วผลงานมันจะเกิดขึ้นมาเองเอาวันนี้กล่าวธรรมะพอเป็นสติเตือนใจก็เข้าใจว่าพอสมควรแก่กาลเวลานี่มีปัญหาข้างอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ตอบ <c oughs> มีผู้เขียนฝากไว้นี่ เราจะถือโอกาสตอบปัญหาคำว่าสมถะลนวิปัสนาต่างกันอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ลำพังจะได้หรือไม่อันนี้เรื่องสมถะวิปัสนาต่างกันอย่างไรได้อธิบายไปแล้วการปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถ้าปฏิบัติตเพียงสมถะอย่างเดียวเป็นการเจริญสมาธิแบบโยคี แบบเลืสีแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติพร้อมกันไปทั้งสมาถะในวิปัสสนาวิธีปฏิบัติสมาถะและวิ ป, าาะวปัสสน า, าพร้อมกันไปนี่ทำอย่างนี้เมื่อท่านบริกรรมภาวนาพโทโพโทโพโทพโทพโตอยู่พอจิตท่านทิ้งโธพักไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้ไปประการที่สองถ้าใครสามารถทำสมาธิให้สงบนิ่งลง ถึงอปปนาสมาธิหรือได้ฌานขั้นที่สี่ 4. จิตไปสงบนิ่งบ้างอยู่เฉยๆไม่มีความรู้เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกมาจากฌานพอสัมผัสรู้ว่ามีกายแล้วจิตก็มีความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปห้ามความคิดแล้วจิตของท่านจะก้าขึ้นสู่ภูมิปัสฉนาเองแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติสมถธกับวิปัสนาสลับกันไป เราจะไปปฏิบัติไปเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันไปการที่ทำจิตให้มัน่นคงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นสมถะการทำสติตามรู้ความเคลื่อนไหวไปมาของเราตลอดทั้งความคิดตัวกลมหายใจเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปมีถ้าผู้ใหญ่บางองค์ที่พูดเสมอๆว่าผู้ผีเทวดาไม่มี เช่นพระปูมเจ้าที่เป็นต้นเรื่องนี้แท้จริงอย่างไรพูดผีเทวดานี่มีจริงถ้าใครยังไม่เคยโดนผีตบหน้าก็ปฏิเสธว่าไม่มีถ้าใครไม่เคยเห็นผีเป็นแต่เพียงรับฟังไว้อย่าปฏิเสธแต่รับรองเพราะในโลกนี้สิ่งที่เรายังศึกษาไม่ถึงเนี่ยมองไม่เห็นยังมีอยู่ ถ้าหากว่าพูดผีปีศาจเทวดาไม่มีคำพีท่านไม่เขียนไว้หลอกเด็กพูดที่เขียนคำภีว่าพูดผีปีศาจเทวดามีนี่เป็นผู้ที่เคยสัมผัสเห็นพูดเห็นผีมาแล้วพระโพมเจ้าที่พระโพมเจ้าที่นี่ก็เป็นพวกประเภทโพมเทวดาเราถือว่าเทวดาผู้รักษาพื้นแผ่นดินนี้เราไปปลูกบ้านปลูกช่อง อยู่แล้วเราตั้งสารประภูมิเอาไว้ไว้เป็นหลักบ้านหลักเมืองอันนี้เป็นจารียประเพณีของเราซึ่งปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษถ้าท่านจะถามว่าการถือสารประภูมินี่ผิดไหมแบอบกว่ามีทั้งผิดทั้งถูกเพราะคนเรายังมีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่ถ้าใครเห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันถูกใครไม่เห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันผิด ตอบเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าใครจะปฏิบัติกับพระภูมินี่ควรจะได้ปฏิบัติอย่างนี้จะไปจุดทูบจุดเทียนบูชาหรือเส้นสังเวยอะไรก็แล้วแต่ทําไปแต่แต่ว่าเมื่อทําบุญทํากุศลสิ่งใดแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พระภูมิบ้านแล้วก็บอกเราได้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาจุดทูบนี่มาบอกข่าวบุญให้แก่ท่าน เราได้ตักบาตรเราได้บวดพระเราได้ฟังเทศเราได้ทําสมาธิเราเข้าที่ส่วนบุญส่วนกุศลในท่านทันจงทราบแล้วอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วไปเกิดดีถึงสุขใจอย่ามานอนโคตรู่อยู่ในกระท่อมเล็กๆนี้มันไม่สบายบอกท่านานั้นอานิษศาสนาภระีอานั้นแท้จริงแค่ไหนที่ว่าบุคคลในยกนั้นจะมีแต่ความสุขความสบายทุกอย่าง ขอหลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องศาสนาพระสีอา่านเท่าที่รู้เเรื่องศาสนาพระสีอ่านนี้ก็อ่านมาในคัมภีร์พระมาลายสูตรในคัมภีร์พระมาลายสูตรท่านก็บอกว่าในศาสนาพระสีอ่านนั้นเพื่นแผ่นดินจะราบเป็นหน้ากลองคนทั้งหลายจะมีรูปร่าง ส, สม่ำเสมอกันไม่มีคนผอมคนอ้วนไม่มีคนต่ำคนสูง ทุกคนจะมีศีลมีธรรมสม่ำเสมอกันหมดอันนี้ในคำทีพระมาลัยสู่ท่านกล่าวเอาไว้แต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจอยู่อีกอันหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ศาสนาพระสมณาชโสดมยังไม่สิน้นบางครั้งก็มีผู้ไปประกาศตัวว่าเป็นภาษีอ่านไสะแล้ว <c oughs> อันนี้ข้อสังเกตที่พุทธบริษัทผู้ที่มีสติปัญญาควรจะทาความเข้าใจ ควจะได้ทําความรู้สึกอย่างนี้ใครไปประกาศตนว่าเป็นภระศีรานคนนั้นไม่ใช่พระษีรานคนใดประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์คนนั้นไม่ใช่พระอรหันต์คนที่เป็นภระศีรานจริงเป็นอรหันต์จริงคน discord, คน uh ั้นจะไม่ประกาศตัวเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอุตตริมนุษยธรรมเป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์ใครไปประกาศถ้าพระไปประกาศแล้วเป็นตางอดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตน เป็นอาบัติปาลฉาิกผู้ท่านผู้รู้จริงเห็นแจ้งท่านจะสังบวรระวังในคํำพูดในเรื่องนี้อย่างมากที่สุดเช่นอย่า ง, งปัญหาเล น, น้อยนี่บอกว่าให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องกระสีอา่านนี่ก็จนใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นกระสีอา่านอ่านแต่ในคํำพีก็มาเล่าให้ฟังเพียงย่อต่อาปัญหานี้ก่อน <c oughs> ผู้ที่ทํากรรมฐานแล้วเกิดสัญญาวิปลาสจะแก้ไขจังไร <c oughs> มนเหตุที่ทำให้ผู้ภาวนาแล้วเกิดสัญญาวิปลาสมีเหตุหลายอย่างหนึ่งเพราะอยากเก่งเกินไปแล้วไปภาวนาตามแบบที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตรงตามหลักคำสอนเมื่อภาวนาแล้วไปอาศัยคาถาอาคมต่างๆหรือไป ไอ้อย่างที่เขาสอนสอนกันอยู่ที่เมืองโคราชเปด้า น, นนี้สายหนึ่งเขาเรียกว่าสายสัญญาพอภาวนาแล้วก็เกิดสัญญาวิปลาสเสียสตยิสตังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่ก็ทิ้งงานทิ้งการนี้ไปหมดเห็นว่าการเรียนเรียนไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดอันนี้มันเกิดจากการภาวนาที่ผิดทางเพศแบบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใ น, ในวิธีการแก้ถ้าหากว่าใครไปเรียนกรรมาฐานแบบนี้หรือแบบนั้นๆในสำนักอาจารย์องค์ใดซึ่งไปขึ้นครูกรรมาฐานให้อาจารย์สดยัดให้เมื่อเกิดสัญญาวิปลาดขึ้นมาวิธีแก้ก็คือต้องไปให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้แก้ขึ้นที่ตรงไหนก็ต้องลงกันที่ตรงนั้นอย่างหลวงพ่อนี่ที่เขาผิดพลาดไปเข้ามาให้แก้หลายๆคนกแก้ไม่เคยตก พระมันคนละเรื่องคนละคนละสาขาแต่ถ้าหากว่ามาเป็นสัญญาวิปลาสเพราะการภาวนาตามแบบที่ครูบาอาจารย์อบรมสัง่งสอนก็อาศัยผู้ที่มีสติปัญญาพอที่มีภูมิจิตภูมิใจให้ความคิดความเห็นให้การแนะนำให้ทำชิดถีให้ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าเป็นการสุดวิสัยจริงๆมีอุบายวิธีอันหนึ่งคือให้ผู้นั้นเลิกการภาวนาโดยเด็ดขาดทำให้มันเกิดเสื่อมลงจนภาวนาไม่เป็นแล้วจึงค่อยมาเริ่มต้นใหม่นี่เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยแก้มาแล้วก็ได้ผลแม่เจ้หลวงพ่อก็เคยแก้วิธีนี้เหมือนกัน ในปัจจุบันนี้ผู้คนกําลังนิยมพูดถึงไสยศาสตร์ที่สามารถไดระบมิตรสิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นมารดาหรือเป็นบุญญาลิศ <c oughs> มารดากับบุญญาลิศอาศัยซึ่งกันและกันแม้แต่ผู้เรียนไสยศาสตร์เรียนแล้วจะเกิดขลังศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะอาศัยบุญบรารมีของเก่าช่วยเหมือนกัน อย่างนักรบสมัยโบราณเขาก็เก่งไสยศาสตร์กันทั้งนั้นแต่เมื่อไปลบกันแล้วสู่ผู้ที่มีบุญยลิศไม่ได้อิทธิลิศเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เห็นผู้ที่เรียนไสยศาสตร์เวทมนต์กลคาถาต่างๆที่นี่ไสยศาสตร์ท่านถือว่าเป็นตรัานวิชาที่ถือว่าเป็นตรัศนวิชาเพราะผู้เรียนแล้วไม่มีศีลมีธรรม แต่ถ้าสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์เช่นดังวิชาอาคมศยศาสตร์เช่นมนต์ต่อตูมนต์เป่าตาแดงเป่าปวดหัวอะไรหมดนี้เอาในวันนี้ก็เวลาก็ผ่านไปถึง15นาฬิกาเ ส, เสร็จแล้วเห็อนอันว่าการบรรยายธรรมะวันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรในท้ายที่สุดนี้ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยหลายสิงศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ทุกท่านบรรลุคุณธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบจิตสว่างจิตแต่รู้แจ้งเข็ญจริงเป็นที่สบายให้บรรลุบัคคุนิพพานด้วยการทุกท่านเถิดอิสิตังปะจิตังตุมขั้งจิตประเมยวะสมิจจตุสเพปุเลนตุสั่งสัปาจันโทปันระโยะธามลิโสจิลาโสยะธาสปีติโยพิวัชันตต สัพลโลโควินัสสุมาติภวัตวันปลายูตุพีที่คายุกปภวะอภิวาธนาสีริสานิจังุทาปชายิโจดจตารุธรรมาวัทฒนตีอาจุวันโนตูกังพระหลัง